สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เรามาถึงบทสรุปของ7ขั้นตอนที่จะแสวงหาการก้าวไปข้างหน้าทางด้านจิตวิญญาณครับขั้นตอนแรกก็คือความเชื่อขั้นตอนที่2คือคุณธรรมขั้นตอนที่3คือความรู้ขั้นตอนที่4ี่คือความเหนี่ยวรั้งตนขั้นตอนที่5คือขันติ ขั้นตอนที่6คือธรรมะซึ่งแปลว่าความยำเกรงพระเจ้าและขั้นตอนสุดท้ายคือความรักพี่น้องครับบทสรุปของทั้ง7ขั้นตอนนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ข้อเดียวกันนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของความสําเร็จความสําเร็จที่เกิดจาก7ขั้นตอนนี้เราพบในข้อที่8นะครับข้อที่8ของพระธรรม2เปโตรบทที่1มีใจความดังนี้ว่า ถ้าท่านทั้งหลายเพียรพร้อมด้วยของประทานเหล่านี้แล้วก็จะกระทําให้ท่านเกิดประโยชน์และเกิดผลที่ได้ทราบซึ้งในพระเยซูคริสต์เจ้าของเราโปวดฟังอีกครั้งครับถ้าท่านทั้งหลายเพียรพร้อมด้วยของประทานเหล่านี้แล้วก็จะทําให้ท่านเกิดประโยชน์และเกิดผลที่ได้ทราบซึ้งในพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผมจะอ่านใน เวอร์ชันเรียกว่า2011นะครับในพระธรรม2011เวอร์ชันน่นใน1ใน2เปรดตัวบทที่1ข้อที่8นะครับถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของพวกท่านและเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆก็จะทำให้พวกท่านเป็นคนไม่ไรประโยชน์และไม่ไรผลในการรู้จักพระเยซูคริสต์องพระผู้เป็นเจ้าของเรา ในฉบับ 2.01.1 นะครับแปลได้ดีมากเลยครับถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของพวกท่านและเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆก็จะทำให้พวกท่านเป็นคนไม่ไร้ประโยชน์และไม่ไร้ผลในการรู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพี่น้องครับในการที่เราจะรู้จักกับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์ของเรานั้นจำเป็นอย่างยิ่งชีวิตของเราดาเนินไปจะต้องมีความหมายครับ และความหมายโดยการเติบโตของชีวิตของพวกเราฝ่ายจิตวิญ ญ, ญาณ น, นั้นเราเติบเตไปเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะไม่เป็นคนที่ไร้ผลและไร้ประโยชน์การมีชีวิตที่เติบโตและเกิดผลทำให้ชีวิตของเรานั้นเกิดประโยชน์ครับแต่เมื่อเรามีชีวิตที่เกิดประโยชน์มันก็ทำให้ชีวิตการเติบโตฝ่ายจิตวิญ ญ, ญาณของเรานั้น ก็มีความหมายนั่นคือสิ่งที่ท่านเปโตได้เขียนไว้าศาสาจารย์ดรฟิลิปแทงนั้นท่านได้เขียนงนี้ครับว่าพระเยซูเจ้าพระองค์ตัดกับต้นไม้ที่ไม่เกิดผลโรองค์ทรงเคร่งครัดและเต็มไปด้วยพระคุณพระองค์ทรงเคร่งครัดและเต็มไปด้วยพระคุณแขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็จะทรงตัดทิ้งเสีย นี่ปรากฏอยู่ในคำสอนของพระเยซูพระธรรมยอนบทที่15ข้อ2ครับในพระธรรมลูกาเช่นเดียวกันบทที่13ข้อ6ถึงข้อที่กาลูกาบทที่13ข้อ6ถึงข้อที่กล่าวว่านี่ไงเรามาหาผลที่ต้นมาเดือนี้ได้3ปีแล้วแต่ไม่พบจงโค้นมันเสียจะให้ดินจืดไปเปล่าๆทำไมแต่ผู้รักษาเถาางุ่นตอบว่านายเจ้าข้าขอเอาไว้ปีนี้อีกปี ให้ข้าพเจ้าพวนดินเอาปุ๋ยใส่แล้วปีหน้ามันเกิดผลก็ดีอยู่แต่ถ้าไม่เกิดผลภายหลังท่านจงโค้นมันเสียพี่น้องครับการที่ท่านสารชร j จาร o ร t o r p h ิปเ p ็งได้เขียนว่าโปรงทรงเคร่งครัดและเต็มไปด้วยพระคุณนั่นหมายความว่าพระองค์ได้ปรารถนาให้เรากลับใจใหม่สำหรับใครที่ไม่เติบโตครับ นั่นแสดงว่าความปรารถนาหรือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้เราทุกคนซึ่งเป็นลูกของพระองค์เติบโตฝ่ายจิตวิญ ญ, ญาณ น, นั้นเป็นเรื่องจริงแท้แน่นอนเราต้องเติบโตครับพระเจ้าจึงจะพอพระทยัยและด้วยเห็นนี้เองครับคําสอนของพระเยซู ก, ก็ดีคําสอนของท่านอักขฑูตอักขสาวกไปโตรก็ดีเน้นว่าให้เกิดผลฉะนั้นเราจึงทิ้งเจขั้นตอนของการเกิดผลไปไม่ได้ ดังเองการที่เราจะต้องเรียนรู้7จดขั้นตอนให้ละเอียดให้ชัดเจนให้แจ่มแจ้งทำความเข้าใจกับทั้ง7ประการนี้ก็จะทำให้เรามีเครื่องช่วยให้เราสามารถก้าวก้าวสูงขึ้นไปฝ่ายจิตวิ ญ, ญญาณครับและนี่คือเคล็ดลับในการเกิดผลมากเคล็ดลับในการที่เราจะ ดำเนินชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณอย่างมีความหมายครับเพื่อที่เราจะได้เป็นคนที่เกิดผลมากและเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระเจ้าต่อไปประเด็นต่อไปครับจะขอบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอุปสรรคของการเจริญก้าวหน้าถึงท่านอาจารย์ดรฟลิปเทงนั้นได้ยกพระกัมภีร์1เปโตรบทที่1ข้อที่9ถึงข้อที่ 10, ครับพระธรรม1เปโตรบทที่1ข้อที่9ถึงข้อที่10โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้า เพราะผู้ใดที่ขาดทำเหล่านี้ก็เป็นคนตาบอดตาสั้นและลืมไปว่าตนได้รับการชำระให้พ้นความผิดบาปแล้วข้อ9ครับจงยิ่งอุตสาหกระทําตามที่พระเจ้าทรงเรียกและทรงเลือกท่านไว้แล้วเพื่อท่านจะไม่พลากจากทางที่นําไปสู่ความรอดโปรดฟังครั้งครับจงยิ่งอุตสาหกระทําตามที่พระเจ้าทรงเรียกและทรงเลือกท่านไว้แล้ว เพื่อท่านจะไม่พลากจากทางที่นำไปสู่ความรอดพระกัมพีทั้ง2ข้อนี้กล่าวถึงอุปสรรคครับอุปสรรคของการเจริญเติบโตการก้าวสูงขึ้นไปการก้าวหน้าฝ่ายจิตวิญ ญ, ญาณนั้นมีอยู่2ข้อด้วยกันครับข้อแรกก็คือว่าลืมไปครับลืมไปลืมไปว่าตนได้รับพระคุณมากมายลืมไปครับคนที่ลืมไปนะครับท่าน อักคาสาวกเปโตบอกว่าเป็นคนตาบอดตาสั้นลืมไปว่าตนเองนั้นได้รับพระคุณมากมายความรักที่ยิ่งใหญ่จากไม้กังเขนซึ่งนําไปสู่การชําระบาปลืมไปนะครับอันที่2ครับลืมไปลืมเกี่ยวกับเรื่องของการทรงเรียกและทรงเลือกครับลืมเรื่องการทรงเรียกและทรงเลือกในพระธรรม1เปโตบทที่1นข้อส และขอ้อ4นั้นได้กล่าวว่าผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริล้ำเลิศและได้ประทานพันธะญาณประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เราพี่น้องครับขอให้เราอย่าเป็นคนขี้ลืมนะครับและเมื่อเราเป็นคนขี้ลืมแล้วมันกระทบกับจิตวิญญาณและการเติบโตของจิตวิญญาณแสดงว่าเราต้องกลับไปรื้อฟื้นความทรงจําเรื่องพระคุณของพระเจ้าครับรื้อฟื้นความรักยิ่งใหญ่ ที่เราได้รับพระคุณจากองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชน์บนแมงเข็นและช่วยเราทั้งหลายให้รอดนําเราออกจากความบาปรับการชําระให้บริสุทธิ์นั่นเป็นประการแรกครับอย่าลืมพระคุณมากมายนะครับอย่าลืมพระคุณที่พระเจ้าช่วยเราให้รอดปลอดภัยรอดมีชีวิตนิรันดร์อันที่สองครับอย่าลืม อย่าลืมเรื่องการทรงเรียกและการทร่งเลือกเรื่องนี้สาคัญครับเพราะว่าพระเจ้าทรงเรียกเราด้วยพระสิริล้าเลิศและประธานพสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งให้กับเราพระเจ้าเรียกเราเลือกเราให้ทาการใหญ่ครับเพียงครับอยากจะหนุนใจครับว่าอย่าให้เรื่องราวบางอย่างที่ไม่ใหญ่พอทาให้เราเลิกทําการใหญ่ครับ อย่าให้เรื่องเาวาที่ไม่ใหญ่มาทําให้เราเลิกทำการใหญ่แต่ในทางกลับกันครับเราต้องเกรงใจพระเจ้าเราต้องย่ำเกรงพระเจ้าเมื่อเราได้รับการส่งเรียกและส่งเลือกให้ทำการใหญ่เราเองนั้นจะต้องรอพระเจ้าครับรอเวลาของพระองค์และในขณะเดียวกันเราต้องถ่อมใจของเราลงพึ่งพาพระเจ้า พี่น้องครับนั่นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิทธิทพิเศษที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราต้องเรียนรู้น่าเสียดายที่บางคนนั้นไม่ยอมเรมเียนรู้นะครับขอพระเจ้าทรงนำและทรงช่วยเราทั้งหลายทุกคนทุกท่านอาเมน